Book <S 2สองเครื่องดื่มดดิฉันดื่มชาค่ะ eu ดิฉันดื่มกาแฟค่ะ eu b บีบู ดิฉันดื่มน้ำแร่ค่ะ eu bebo um á gua mineral คุณดื่มชาใส่มะนาวไหมคะเบบส์ชาคอนลิม้งคุณดื่มกาแฟใส่น้ำตาลไหมคะ bebes c a f ฟ com açúcar คุณดื่มน้ำใส่น้ำแข็งไหมคะ bebes á gua com gelo มีงานเลี้ยงที่นี่ aqui há uma า um e ja. s t a คนกำาลังดื่มแชเนมเปี้ยงที s นี่มีง e นเลนานลังดื่มีาล้ยง่มนละเลียงที่นี่มเลี้ยงที่นี่มีงานเลี่มีงาลี้ย่มงเ่มงล่มล้ยมลมคะ bebes álcool? คุณดื่มวิสกี้ไหมคะแบบวิสกี้คุณดื่มโค้กใส่เหล้ารัมไหมคะแบบโค้กแกลบของรัมดิฉันไม่ชอบแชมเปญดิฉันไม่ชอบไวน์ ดิฉันไม่ชอบเบียร์เด็กอ่อนชอบดื่มนมเด็กชอบดื่มโกโก้และน้ชอบดื่มโกโ b ้และน้ำแอ e เปิ้ลเด็กชอบดื่มโกโก้และน้ำแอปเปิ้ลเด็กชอบดื่มโกโก้แ o ะน้ a แอปเปิ้ลเด็กชอบดื่มโกโกและน้อเิ้ชอบดื่มและน้ำ้มกและน้ำแป A mulher gosta de sumo de laranja e de sumo de toranja.